เป็นอาทิตย์ที่ห้ากุมภาพันธ์สองห้าสามแปดเป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปาทั้งที่หนึ่งโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t า a ท่นานผูชมที่เคารพวันนี้เราจะนำเอาไพ่ประดบิดกเล่มที่สิบหกที่มีชื่อว่าสังยุตตนิกายนิทานวัตรมาอธิบายเนื้อหาสาระของ ธรรมะที่จะอธิบายในพระไตรปิฎกเล่มนี้ติดต่อกันหนึ่งร้อยสี่สูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะสำคัญในพระพุทธศาสนาคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นจัดได้ว่าเป็นธรรมะที่มีความแยบยนต์คือมีความละเอียดลึกซึ้งมากเป็นพิเศษเป็นพิเศษกว่าธรรมะเรื่องอื่นๆที่เราได้ยินได้ฟังกัน ก่อนอื่นนั้นขอให้ดูที่มาที่ไปของสิ่งที่เรากําลังจะศึกษากันในบัทนี้อที่เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่หกเนี่ยหมายความว่ามาจากพระไตรปิฎกซึ่งมีจํานวนยี่สิบห้าเล่มเล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงที่สิบหกที่เราศึกษาจบไปเป็นเล่มที่สิบห้าถ้ากล่าวโดยพระสูตรเฉพาะตัวพระสูตรก็เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่แปด เป็นวินัยที่แปดเล่มตน้นเล่มเก้าจนถึงเล่มที่แปดคือเล่มนี้นะครับก็เป็นพระสูตรที่ท่านจัดอยู่ในสังยุตตานิกายนิวรัตที่ปรากฏในสังยุตตานิกายนะหมายถึงวัฏใหญ่วัฏใหญ่วัฏเนี่ยใช้ทั้งในระดับใหญ่ระดับย่อยเนี่ยพอแบ่งเป็นสังยุตตานิกายนิทานวัค แบ่งเป็นอภิธรร ม, มยสังยุตแล้วก็สังยุตอื่นอีกแล้วเนี่ยนะอภิธรร ม, มยสังยุตได้ซอยเป็นวรย่อยอีกหลายวรผมจำในนี้มีสิบวรนะผมจะไม่ไม่เอามาแจงเป็นชื่อหรืมีอะไรพูดอะไรบ้างเดี๋ยวจะหมดเวลาไปกับเรื่องของโครงสร้างซึ่งไม่จําเป็นจะต้องกล่าวในที่นี้ก็ได้มีสิบวรวรแรกนั้นชื่อว่าพุทธะ ที่เรากำลังจะเรียนกันในวักแรกติดต่อกันสิบสูตรนี่ครับทำไมจึงเรียกว่าพุทธวักเพราะว่าสังยุตตนิกายตรงจุดนี้กล่าวถึงปฏิจจสมุปา ท, ที่เกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าว่วาพระพุทธเจ้าเป็นผู้เทศปฏิจจพระพุทธเจา้าองค์ปัจจุบันก็ดีองค์ในอดีตอีกหลายองค์ ก็ได้มีปฏิปทาความตัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทคล้ายกับพระพุทธเจ้าองค์นี้ี่จะมีอยู่ในเจ็ดสูตรสุดท้ายพระพุทธเจ้าเจ็ดองค์สุดท้ายของของวัดนี้นะะวันนี้เราพูดกันวันนี้เรามาแจกสามวักสามสูตรซึ่งเป็นเรื่องการเจตนาพุทธเจ้าแีกสูตรถัดไปอีกเจ็ดสูตรนั้นเกี่ยวกับการบรรลุตัสรู้ปฏิจจะของพระพุทธเจ้าองค์ ปัจจุบันบางองค์อดีตบางที่มีลักษณะคล้ายกันในพุทธวักนั้นมีสิบสูตรสูตรแรกที่เราจะพูดต่ อ, อไปนี้นะจะทำความเข้าใจหัวข้อสูตรคือการบรรยายถ้าสูตรในครั้งนี้จะไม่บรรยายในลักษณะที่ได้พูดมาในพระไตรปิฎกเล่มก่อนที่พูดทีละสูตรแล้วก็จบเป็นสูตรๆไปซ้ำกันบ้างไปซ้ำกันบ้างาบางส่วนก็มี แต่สำหรับการบรรยายที่นี้นะเราพยายามจะตั้งหลักเรียนปฏิจจ์เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นสูตรใดที่เข้ากันได้ผมก็จะอธิบายรวบยอดไปได้วยกันอ่านไปทีเดียวทาความเข้าใจไปทีเดียวแล้วจะไปเน้นเอกสารเสริมที่จะเป็นบทสรุปของสูตรในส่วนนั้นว่าสูตรทั้งสามสูตรสูตรทั้งหลายสูตรที่กล่าวถึงในตอนนั้น มีบทสรุปที่จะต้องทความเข้าใจร่วมกันไปอย่างไรเพื่อให้เรื่องราวนั้นดำเนินไปเร็วและข้ามเนื้อความบางส่วนที่ไม่จําเป็นต้องพูดทํำอีกให้ผ่านเลยไปนั้นในครั้งนี้เราจึงเริ่มกันที่สามสูตรที่พูดไปได้วยกันได้เราก็เลยจําเป็นต้องดูชื่อสูตรทั้งสามสูตรนี้ไปซะก่อนเลยแล้วค่อยไปดูเนื้อหาที่ส่วนเหมือนและแตกต่างกันอีกทีหนึง่ง สูตรแรกที่ชื่อว่าเทศนาสูตรคําว่าเทศนาสูตรตรงนี้หมายถึงการเทศนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเบื้องต้นเป็นประถมนะคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทปรถม เ, เทศนาพูดให้เต็มพูดองี้บางทีอัตตะขาทะเลของประตู ป, ปฏิจจสมุปบาทเทศนาคือไซเทศนาอย่างเป็นปฐมเบื้องต้น ก่อนเหมือนอย่างที่ทรงอูทานถึงหรือพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทหลังการตรัสรู้ก็จะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างในสูตรนี้คือพิจารณาแต่ละข้อแต่ละข้อทสั้นๆแต่ความรู้ซึ่งนั้นรู้ซึ้งดโดยพรงค์เอแต่เวลาจะมาเทศบอกคนอื่นนั้นต้องมีกา ร, กรขยายกว้างตัวจึงเกิดสูตร ที่ท่านนมาเรียงต่อจากนั้นชื่อว่าวิพังกสุซึ่งแปลว่าจำแนกความองค์ของปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากทีเดียวนะในความหมายของปฏิจจสมุปบาทสิบสององค์ว่าปฏิจจสมุปบาทสิบสององค์นั้นแต่ละองค์นั้นคืออะไรกันแน่ ยกตัวอย่างเช่นว่าชาติเนี่ยเราจะตีความว่าชาติคืออะไรกันแน่ถ้าเราได้พบพุทธพจน์เนี่ยเราก็ได้ข้อพินิษว่าชาติในความหมายที่ทรงประสงค์คืออะไรตายในความหมายที่ทรงประสงค์นั่นคืออะไรและถ้าเราตีความไปในทางอื่นเนี่ยพอจะสอดคล้องไหมพอจะขัดกันหรือไม่เราก็จะได้พิจารณาทำให้เกิดการพิจารณาความจริง ได้ใกล้เคียงมากขึ้นดังนั้นสูตรนี้จริงที่ว่านิพพังกสูตรจะนิพพังคะเนี่ยแปลเป็นอย่างไดทยแล้วอธิบายอธิบายองค์ซึงออกมาในรูปของการนิยามอย่างสั้นๆเนออดีบายอย่างสั้นๆดังที่พอจะเห็นเป็นในเอกสารบ้างแล้วนะซึ่งยังไม่ได้อา่านสําหรับสูตรที่สามเป็นการกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในทางปฏิบัติ ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติผิดก็มีปฏิบัติถูกอ า, อาวิชาเกิดปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดอวิชาเนี่ยเราควรทําให้มันเกิดหรือควรทําให้มันดับควรทําให้ดับทุกองควรทําให้ดับใครที่ทําให้เกิดคนนั้นทําผิดต่อปฏิจจ์คนไหนทําให้ดับคนนั้นทําถูกนี่แบ่งเป็นปฏิปทาสองนี่ นี่คือเป็นส่วนโครงสร้างที่เราวงหรือขีดเส้นที่จะพูดกันการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจจุดที่หนึ่งคือต้องรู้ชื่อเกี่ยวกับชื่อประเภทธรร ม, มจำที่เครื่องชื่อเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรพิสดารก็ได้ละแต่ว่าเมื่อจะเลงกันแล้วก็ควรจะต้องรู้ สองจะต้องรู้ความหมายขององค์ว่าแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยองค์ธรรมขององค์คืออะไรสามจะต้องรู้ไอตรงนี้ยากที่สุดนะการจะนิยามองค์ว่าอะไรเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ที่ยากกว่านั้นยากอย่างยิ่งก็คือความสัมพันธ์กันระหว่างองค์กับองค์ที่กล่าวว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ย เป็นปัจจัยยังไงกันแน่เราฟังเรื่องนี้มาก่อนเราก็ฟังเป็นปัจจัยเราก็คิดไปตามเรื่องเรานะเนาะเป็นปัจจัยอย่างงูอย่างนี้ฟังผููรู้ท่านอธิบายก็อธิบายเป็นโมหันต่างๆกันไปนั่นะที่ว่าเป็นปัจจัยเนี่ยคือเป็นปัจจัยยังไงถ้าแตกตรงนี้เราก็จะแตกในปฏิจจสมุปบาทและสิ่งที่จะทําให้เราแตกตรงนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยครับ จะตั้งเข้าใจคําว่าปัใจจัยในทางพระพุทธศาสนาว่าปัจจัยมีกี่อย่างเพราะนั้นเวลาเขาอธิบายก็อย่างเข้าถึงเลยเนะครับเขาจะยกว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารด้วยอํานาจปัจจัยอะไรบ้างด้วยอํานาจปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยย า, ารักษาโรคเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปัใจจัยในในอันนั้น เป็นปัจจัยที่ตามพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้แล้วก็ทุกองค์เนี่ยครับจะใส่ปัจจัยเข้าไปทําให้เราเห็นเลยว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยพูดยืนอยู่จุดเดียวไม่ได้ยืนอยู่จุดเดียวคือโดยปัจจัยเดียวไม่ได้อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารได้หลายปัจจัยหลักพระพุทธศาสนามีว่าผลอันหนึ่งมิได้เกิดจากเหตุอันหนึ่ง แล้วก็เหตุอันหนึ่งก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลอันหนึ่งแต่ที่จริงแล้วเหตุหลายอย่างทําให้เกิดผลได้หลายอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นคำพูดในคำภี์ซึ่งก็จริงอ่ะจริงเลยทีเดียวแต่อันนี้คือข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็อันนี้ก็เอ๊ะทำไดยังไงพระพุทธเจ้ามาตรัสว่าวิชาเป็นไปใจกลางสารไม่ทรงสแสดงได้มันยุ่ยเย่ไปหมดเลยละ่ะ ว่าวิชาโลภะตัณหามานะทิฏฐิเป็นปัจจัยเกิดหังการเรื่องนี้นะความเป็นจริงทั้งหมดกับการพูดการแสดงให้คนฟังเนี่ยบางครั้งก็พูดทั้งหมดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ควรพูดทั้งหมดและการไม่พูดทั้งหมดเนี่ยบาง ท, ทีเขาเรียกว่าเลือกแสดงเฉพาะประธานเหตุประธานผลประธานเหตุแปลว่าอะไรคือเหตุที่เป็นหลัก เอาเหตุหลักให้ขึ้นมาพูดเหมือนว่ากรรมยกเจตนาเป็นประธานเหตุประธานการอันนั้นตัวอื่นความจริงก็เกี่ยวกับกรรมแต่ไม่ใช่ประธานแล้วก็ยกประธานผลประธานผลหมายถึงผลที่ใกล้ชิดผูกพันอย่างออกหน้าออกตากับเหตุตัวนี้เรียกว่าเป็นประธานเหตุเวทนา เป็นประธานเหตุของผัสสะผัสสะอ่ า, อาเดี๋ยวโทษกลับกันผัสสะเป็นประธานเหตุของเวทนาเวทนาเป็นประธานผลเป็นผลหลักผลตรงของมเมล็ดข้าวในนาเป็นประธานผลของกล้าข้าวที่ปลูกขึ้นกล้าข้าวเป็นประธานเหตุ ของเมล็ดข้าวที่เป็นผลผลิตที่ได้เราไม่ไปบอกว่าปุ๋ยเราไม่ไปบอกว่าพื้นนาเราไม่ไปบอกว่าคนทํา น, นาเราอ่าบอกเป็นเห ต, เเหตุเป็นเหตุหลักนะอันนั้นเวลาบอกขอซื้อพันธุ์ข้าวหน่อยไม่มีใครชี้ไปที่ปุ๋ยไม่มีใครชี้ไปที่ดินนั้นเองคือพืชพันธุ์ของมันนะเหตุเหล่านี้เป็นเหตุที่เป็นพืชพันธุ์ของกันและกันก็ยกอันนั้นขึ้นแสดง นี่นี่ผมกําลังจะบอกว่าจุดสําคัญคือความสัมพันธ์กันขององค์หนึ่งกับองค์หนึ่งว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็วงล้อมทั้งวงรอบทั้งหมดของปฏิจจ์แต่ละวงเนี่ยโดยโลกกับวงหารหรือโดยผลสําเร็จว่าปฏิจจ์เนี่ยอเราบอกว่าอาวิชาวช า, าเป็นใจแกสังขารมันเป็นการพู ด, ด ต, ดตดีตัวตีตัวตีตัวนะอันนั้นก็ต้องเข้าใจเหมือนเราเข้าใจองค์แต่ละองค์แต่ละองค์แบบกระจาย นี่มาพูดถึงผลสาเร็จว่าไอ้ปฏิจจสมุปาฏิวงเนี่ยมันมีผลรวบยอดอยังไงอะไรเป็นปรากฏการทางผลรวบยอดของปฏิจจปฏิจจปรากฏทีเดียวทั้งสิบสองสององได้หรือไม่ในคนคนเดียวในขณะเดียวหรือปรากฏทีละองค์องค์ที่หนึ่งดับก่อนองค์ที่สองต้งโผล่ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏซ้อนกันหลายๆวงได้หรือไม่ เนี่ยถามถามเยอะถ้าพูดไปพูดมาแล้วไม่ตอบก็ต้องเกิดเรื่องแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องพิจารณาต้องต้องศึกษาว่ามันมันออกมาในลักษณะอย่างไหนนะฮะเรื่องนี้ก็นักปราชญ์ท่านสนใจกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ให้ข้อมูลอธิบายให้เป็นสติปัญญาจากเราพิจารณามาช้านานแล้วเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือการปฏิบัติต่อปฏิจจสมุปบาทนะ คือเมื่อผลมันออกมาอย่างนี้อย่างที่ผมว่าแต่ผลเลยความจริงชีวิตเราถ้าพูดจริงๆนะคือปตัวปฏิจจะนะครับใช่ไม่ใช่มีอวิชาไหมมีอวิชาเป็นหมันหรืออวิชายัางทํางานก่อพืชพันธุ์อยู่ก่อพืชพันธุ์อยู่มีสังขารไหมมีนี่เราคือตัวปฏิจจะเราเนะี่ยคือปฏิจจะ แต่ปฏิจจาของเราเป็นปฏิจจาสายมิจฉาปฏิปทาหรือสายสัมมาปฏิปทาดี่ต่อเขาตามใจชอบไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าโดยปฏิจจาเนี่ยได้กล่าวว่ามั น, เ ป, นเป็นเทส น, น, น, นะ น, นาในรูปเหตุผลนะฮะเป็นเทสนาในรูปเหตุผลนี่เป็นจุดเด่นของปฏิจจาที่ เป็นเสน่ห์น่าสนใจของปฏิจจารตรงนี้ในความคิดของคนที่รักเหตุรักผลและเป็นการแสดงธรรมะอย่างประหลาดกับธรรมะทั่วๆวไปธรรมะทั่วทไปในบางทีแสดงเหตุแล้วผลอยู่ไหนเรานึกไม่ออกบอกเราเราก็ชักจะไม่อยากเชื่อนะว่าเออจะจริงหรือเปล่าจะได้ผลอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือบางทีก็บอกผลและเหตุคืออันนั้นอันนี้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่ไม่ค่อยนึกจะนึกออกนะแต่ปฏิจจารเนี่ย ทำไให้นึกออกพอนึกออกถึงไม่รู้อะไรเท่าไหร่เนี่ยนะอย่างเช่นนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลายยตนะเออ n ึกพอนึกออกสลายยตนะเป็นเหตุให้เกิดผัตสะนึกออกปัตสให้เกิดเวทนาเวทนาธินานี่นึกออกครับจาตรมาลนาโลกาบริเตวา่านึกออกมันเห็นเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของเราเออผมว่าถ้าจะจดกันนะก็ ามาแจกตอนเลิกก็แล้วกันนะไปแจกตอนเลิกอ่าสิ่งที่กำลังจะบอกในอินสไนี้ก็คือชื่อของประเภทธรรมนี้เรียกชื่อที่รู้สึกว่าจะค่อนข้างโกหรูหน่อยแล้วก็ติดปากเรามากหน่อยนะฮะตามชื่อชื่อหนึ่งก็คือปฏิจจสมุปบาท ชื่อสองก็คือปัจจัยาการชื่อสามก็คืออิทัิปัจจยตาเราคงจะได้ยินกันมาทุกคนปฏิจจสมุบาทนั้นเป็นชื่อใช้มากที่สุดอย่างเช่นในสูตรแรกเนี่ยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุบาทแก่พวกเธอบอกชื่อทำออกมาเป็นอย่างนี้ที่ปัจจานี่แปลว่าอะไรในบทเทศนาท่านไม่ได้แปลเพรว่าวเป็นภาษาแครอยู่แล้ว แปลว่าทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมคำว่าพร้อมเนี่ยไม่ได้หมายถึงปัจจุบันอาการหมายถึงความพร้อมเพียงความพร้อมเพียงความรับผิดชอบในความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันแม้ว่าไอ้ขณะนี้องนี้กําลังเกิด อยู่จำนวนเท่านั้นเท่า น, นี้องค์ อ, งอื่นจะยังไม่ปรากฏก็ชื่อว่าพระกอมคือพร้อมเตียมกัน <c oughs> ปฏิจจะคําแรกที่แยกคําออกมาแล้วก็สั่งอุ ป, ปาทาอุ ป, ปาธาแปล ว, ว่าเกิดสัง่งแปลว่าพร้อมปฏิจจะคืออาศัยกันแบบเป็นลูกโซ่อ่ะเป็นลูกโซ่สืบเนื่องกันเป็นวงกลมจึงกล่าวว่าอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อม ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะ่ะมันมีบทอธิบายในทางลึกอยู่อันหนึ่งว่าไอ้การปรากฏพร้อมเนี่ยถ้าปรากฏอย่างเป็นขนาโผล่โตขึ้นมาโดยเป็นปัจจุบันอาการไอ้นี่มันอันหนึ่งประสิทจะาไม่เกิดทีเดียวในขณะเดียวพร้อมกันทั้ง12องค์ได้เกิดไม่ครบ12ยกตัวยอย่างเช่นว่าขณะนี้ เรามีโสกะปริเทวะปรากฏในปัจจุบันหรือไม่ไม่มีก็ไม่รู้จะมีเรื่องอะไรมรณะกํากลังปรากฏแก่เราหรือไม่ไม่มีนี่โดยปัจจุบันนี้ไม่มีนะโดยองค์ที่มันเป็นตั ว, ต ว, ตวที่ได้เหมือนโกรธเนี่ยเราก็ไม่กันไม่เกิดแต่ในอีกในหนึ่งท่านถือว่าเราเนี่ยมีปฏิจจาริสสองปรากฏตลอดตรงนี้ท่านหมายถึงมีอย่างชนิดที่ เรายังไม่พลากจากความเป็นเหตุเป็นผลของมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีถึงความเป็นผู้ที่ชื่อว่ามีความตายเป็นธรรมดาแม้กาลังไม่ตายก็ยังมีความตายเป็นธรรมดาใช่มเพราะอะไรเพราะเรายังไม่พลากพ้นจากความเป็นเหตุเป็นผลของกระบวนการอันนี้เรามีความแก่เป็นธรรมดาเดี๋ยวก็ต้องถามว่าเอาแก่ขนาดไหนฉันหกสิบห้าแล้วชื่อว่าแก่ไหมไงนะ ไปดูแล้วควันหลุดเอฉันก็ไม่หลุดหลุดแล้วชั้นก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยเนตรงนี้หนังเขียวหนังเปียกนะเนี่ยมันก็ถ้าพูดกันเด็กก็เห็นชัดหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านถือว่ามีอยู่โดยความไม่พลาดจากพันธกรณีทั้งสิบสององเหมือนกับผู้ที่ดับปฏิจจังแล้วยังไม่ตาย ละอรหันดับปฏิจจะแล้วเมื่อวิชาดับทุกอย่างก็ดับมาจนทั้งชราโมระดับพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่เปรินิพานชื่อว่าดับชารามรณะได้หรือได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้อันนี้เขาก็ท่มเถียงกันว่านะไม่ได้แล้วก็ทํำไมถึงยังไม่ได้แล้วถ้าละได้แล้วก็ต้องไ่ตายอะจะให้ละได้ให้ละไม่ได้หรือจะไปเอาตอนท่านเปรินิพานแล้วจึงจะชื่อว่าละได้ อันนี้น่ะหมายถึงละได้โดกจากพันธะกรณีของมันน ะ, ะพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วพ้นเดียวนั้นเลยครับเกิดก็พ้นเดียวนั้นแกก็พ้นเดียวนั้นโรคโกรดหลงพ้นเดียวนั้นอันนี้มันลึกหน่อยต้องอธิบายยกแม่น้าตั้งห้ากันเยอะแต่ผมก็พูดให้ฟังเพื่อจะบอกว่าเราเนี่ย ยังไม่พลากจากปฏิจจสมุปาททั้งสิบสององค์ไม่ว่าขณะเกิดขนาดแก่ขณะเจ็บขนาตายนะแต่ปฏิจจานที่ออกมาทำงานเป็นตัวที่ผมเคยแจ้งว่าเกิดจะมีนะมันโผล่ขึ้นมาเป็นบางตัวบางครั้งบางคราวนี่เอาเะตรงนี้นะฟังแล้วยังไม่กระจาย ก, ก็ทิ้งไว้ก่อนมันเป็นเรื่องที่พูดกันในทางลึกลงไปก็จักาง เติ่งกันหน่อยทีแบบนี้ดูต่อไปบบนิดหนึ่งปัจจยาการแปลว่าอาการที่เป็นปัจจัยหรืออาการของปัจจัยก็คือในอย่างในปัจฐานเนี่ยหรือปัจจัยยี่สี่นี่ก็พูดถึงตัวปัจจัยตัวนั้นตัวนั้นปัจจัยเหล่านี้น่ะท่านเอาดึงมาเป็นหลักๆลักวางไว้ให้รู้ว่าคืออะไรอะไร มีพลังอย่างไงมีผลจากพลังนั้นอย่างไรแล้วอะไรที่ไม่ใช่เป็นผลของปัจจัยตัวนั้นชีวิตเราเนี่ยเราเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างที่พูดกันแต่ถ้าถามชัดลงไปว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าอย่างไรเราก็อธิบายแล้วก็ไม่ผิด มันก็ถูกทั้งนั้นนะ่ะแต่ถ้าจะถามเอาเป็นหลักการว่าเอาปัจจัยยี่สิบนะอย่าต่อปัจจัยอื่นปัจจัยอื่นไม่เอาปัจจัยอื่นมันก็ว่าเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นว่าวันไหนรถไม่ติดก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีเป็นเป็นผลรถไม่ติดเป็นเหตุปัจจัยอย่างนี้นะฮะก็สตรละพัดจะอ้างกันอย่างหลงๆอันนั้นก็พูดได้แต่ว่ามันไม่ไม่ได้เป็นคําบอกที่ชี้ชัดอะไรเป็นการ ที่เราจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในแง่ของการปฏิบัติหรือเป็นหลักเป็นฐานแต่ถ้าว่ามันยังเป็นหลักเป็นฐานคือเป็นเหตุปัจจัยอะไรในปัจจัยยี่สิบสี่อย่างนี้พูดอย่างเป็นหลักเป็นฐานพูดเข้าหาข้อเท็สนาไอปัจจัยนี่มันมีหลายอาการคือชีวิตเราทั้งหมดนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยกินข้าวก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยหิวข้าวก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยตาใจรัภปัสสาวะเป็นทั้งนั้นป่วยไข้ก็เป็นทั้งนั้น เวนกรรมเป็นเหตุปัจจัยอาหารการกินหนังสือเป็นเหตุปัจจัยรูปหนึ่งและเรียกชื่อครอบไว้ว่านี่คือปัจจัยแบบนี้ทีนี้ไอ้ชีวิตเราในทางความเป็นไปจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายแต่ชีวิตใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่แต่ไปตามลำดับเนี่ยมันเป็นวงล้อของปฏจจิตจักที่มันสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุปัจจัย ปฏิจจอย่างที่ผมจะพูดในฟังเนี่ยผมพูดให้ฟังตามที่ผมเข้าใจในพัฒไรปิดกตั้งพระพิธรรมทั้งประสูตแล้วก็มีอยู่ในวินัยด้วยแล้วก็ตามที่ผมเห็นว่าอาจรย์าถานั้นพูดสอดคล้องกับพัฒไรปิดกแล้วผมเลือกที่จะนับถือเชื่อถือปฏิจจะที่พูดอย่างนี้แล้วผมก็มาบอกกับท่านอย่างนี้ ก็อขอให้รับฟังและตรองเหตุตรองผลไปตามที่ผมจะพูดนี้พูดไปตามเนื้อพาอย่างไม่รู้ไม่ชี้จะไม่แวะเวียนไปวิพากวิจาร ค, ค, ความเห็นที่แตกต่างที่ตความหมายจคเปนในลัษณะอย่างอื่นแต่ก็ยินดีถ้าใครจะมาพูดคุยขัดแยง้งเพื่อหาข้อเท็จจริงเหตุผลกันเป็นการส่วนตัวก็จะยินดีปกป่าสนทนาด้วยเพื่อประโยชน์ในทางสติปัญญา องซึ่งกันกันนะถ้าท่านให้เหตุผลเดียวผมผมก็จะหยุดสอนเรื่องนี้เลยจะให้ท่านสอนได้แล้วผมก็จะไปนั่งฟังท่านจะได้จะได้เปลี่ยนความคิดความข้าใจกันใหม่ทีนี้มาพูดถึงอีทัพปัจเจตาอ่าเดี๋ยวผมยกกลับกะวอนย้อนกลับมาปัจจัยาการน่ะคือไอ้เราเนี่ยอย่างที่เขาพูดว่าชีวิตเราไม่ใช่อื่นไกล เป็นแต่กระบวนการของเหตุของผลนั่นแหละครับใช่มฮะทุกอย่างก็พิบตาเหาาก้าวเดินหกลม้มหกลุกเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งนั้นพูดอย่างโดยทางหลักถึงเราจะไม่คิดหรือเราจะนึกว่าเหตุปัจจัยนั้นมันคือเหตุปัจจัยตื้นๆที่เราเห็นเกณฑเพราะเดินสะดุดจึงหกลม้มเพราหมดแรงเดินจึงหกลม้มเพราะฉุดยืงจาม เพาะตากผลถึงป่วยที่นี่เราก็พูดถึงเหตุปัจจัยอย่างตื้นๆที่เราเข้าใจที่เราเห็นแต่ในทางศาสนานั้นมันมีเหตุปัจจัยเป็นอันมากผมถามว่าเวลาท่านหกล้มครั้งหนึ่งเนี่ยเหตุปัจจัยเดียวคือเด็กมาทิ้งของเกะกะให้ท่านเตะหกล้มหรือหรือเพราะห้องน้ําลื่นะลื่นเท่านั้นเลยมีอย่างอื่นอีกเป็นอันมากที่เรามองไม่เห็น อย่างอื่น้นมีทั้งอย่างหลักและอย่างรองๆองถ้าจะอ้างในแง่ของนานักพนิกฐธรรมปัจจัยนั้นเป็นเหตุอย่างหลักอ้างในแง่ของตหาชาติปัจจัยนิคยะปัจจัยนั้นก็เป็นเหตุอย่างรองๆงลงมาผมก็เอ่ยชื่อปัจจัยไปหลายคนก็นึกไม่ออกแต่เพียงแต่ให้รู้นี่คื อ, อ, อผลปรากฏในชีวิตเราทุกอย่างก้าว ทุกเสียววินาทีเป็นไปตามต่เหตุรู้สืกว่าคนแจกเขาจะลืมผมไปนะเอาต้นฉบับผมไปแล้วไม่คืนเนียังตายมาแล้วไม่แจกแอนนี้คำ ท, ที่เรียกสั้นๆที่เรียกสั้นๆและหมายถึงปฏิจจสมุปบาทคือตะัทะตา ที่แปลว่าความเป็นเช่นนั้นดึงบางท่านนาเอาคํานี้มาเรียกเป็นชื่อพระพุทธเจ้าด้วยคือเลือกถึงชีวิตที่เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของธรรมะเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ได้หมายถึงไอล้ลาวโง่ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะแต่ของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายถึงไอ้เช่นนั้นในทางไม่ดีท่านหมายถึงผู้มีธรรมดาเป็นอย่างนั้นคือพระริยะอย่างพรเจ้ามีธรรมดาว่าอาจารละทางวาจาไม่ต้องรักษา อาจาระต่างใจไม่ต้องรักษาท่านต้องเป็นอย่างนั้นใครจะมาจ้างมาวานมาบังคับกูเข็นขอร้องอ้อนวอนไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่มีทางเปลี่ยนได้เหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนั้นท่านแน่ัดแล้วจึงเป็นเช่นนั้นจะมาจะไปก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วมันอยู่ตัวหมดแล้วนั่นเป็นชื่อพระเจ้าหมายความเอาในส่วนนั้น แต่อย่างของเราเนี่ยดีไม่ดีเรามีเหตุมีปัจจัยโดยความที่ยืนอยู่บนกระแสของปฏิจจาอย่างไรเราก็เป็นเช่นนั้นในขณะนั้นๆในชีวิตอย่างนั้นเป็นธรรมดาดันั้นเราก็มีความเป็นธรรมดาอย่างของเราปลาหรียาก็มีความเป็นธรรมดาอย่างของท่านอาวิตร ต, ตาตาความไม่ผิดไปดูในเอกสารแทนนะครับ ความไม่ผิดไปจากนั้นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านพูดว่าทําให้ผิดไปไม่ได้แต่ทุกอย่างเนี่ยครับเราจะทําอะไรให้เป็นอย่างไรจะไม่ทําอะไรไม่ให้เป็นอย่างไรอราจะต้องทําอยู่ในกรอบของกระบวนการของธรรมชาติถ้าหากว่าธรรมชาติทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่เอื้ออํานวยก็ไม่สามารถที่จะกระทาได้เลยเพราะนั้นโต้แจ้งกล่าวว่า ความทุกข์มีอยู่เหตุให้เกิดความทุกข์ก็มีอยู่ความดับทุกข์มีอยู่ปฏิปทาเพื่อความดับทุกข์ก็มีอยู่จึงทรงบรรลุทำเหล่านี้ได้แล้วก็ทรงชี้ให้กับท่างหลายเดินไปตามทำเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีทำเหล่านี้ความตัดสลูกของพระองค์อาวิชามีอยู่วิชาเป็นไปใจให้เกิดสังขาร น, นั้นเป็น ธรรมดาที่ไม่ผิดไปจากนั้นในในทางสมุทัยาวานคือสายเกิดและเพราะดับอวิชชาสังขารกระดับนั่นก็เป็นธรรมดาที่ไม่ผิดไปจากนั้นนี่เป็นการที่แสดงว่าธรรมะทุกอย่างนั้นพรธเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างไม่ได้เป็นผู้บังคับอยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติทั้งสิน้นทั้งในทางถูกทางผิดอนัญญาทตาความไม่เป็นอย่างอื่น ธรรมะทีติตาธรรมะทีธรรมะทีติตาบางทีก็ไม่มีตรีนะธรรมะทีติตตาก็ได้ความตั้งอยู่นิยามาตาธรรมนิยามาตาความกําหนดแน่แห่งธรรมธรรมะธรมมาตาความเป็นธรรมดาแห่งธรรมทั้งหมดเหล่านี้ใช้เป็นชื่อหมายอาวปฏิจจสมุปบาทได้ แล้วก็เรียกว่านิทานก็ได้กล่าวได้ําคำคำเดียวเหตุก็ได้ปัจจัยก็ได้มูลก็ได้ป่าเพราะว่าก็ได้สามเพราะว่าก็ได้ธาตุได้อย่างนี้เป็นต้นชื่อหลังๆนี่เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจนึกที่ปรากฏเป็นชื่อนิยมก็สามชื่อแรกนั้นเท่านั้นเป็นเรื่องของชื่อผมก็จะวกกลับมาชวนให้ท่านดูเนื้อความในกระสตรที่พระพุทธเจ้า จะได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพอให้ดูเทสนาสูตรเนอะสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเคตาวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตนครนคนสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคตระัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธดรรหลักนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ต้องหลายเราจากแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกกล่าวภิสูจเหล่านั้นทูนลับพระผู้มีพระภาคแล้วในกระสูตรนี้ทรงเรียกทำที่จะแสดงนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทมิได้เรียกด้วยชื่ออื่นอย่างในสูตรอื่นที่เรียกแล้วก็เป็นชื่อที่ทรงใช้เป็นชื่อหลัก ใช้บ่อยที่สุดเรียกบ่อยที่สุดคือปฏิจจสมุปาตานี้เราก็จะเห็นว่าการแสดงธรรมของพระเจ้าในเรื่องปฏิจจานั้นท่านแสดงเองพระพุทธสงไม่ได้ขออันนี้ก็ธรรมดาว่าเรื่องธรรมบางเรื่องเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บอกไม่ได้แสดงให้ได้รู้จักก็ไม่มีใครที่จะมาขอถูกอ่ะ เช่นไม่เคยฟังปฏิจจาเลยอยู่ๆก็ถ้าแต่โลกเขาเจริญขอพระผู้มีพรว่าจงแสดงปฏิจจาแก่พวกก้าว ร, ร้องเกิดรับรองว่าไม่ความคิดอย่างนี้ไม่มีพฤติกรรมที่จะมาขออย่างนี้ก็ย่อมมีไม่ได้แต่นี่พระพุทธเจ้าต้องแสดงให้เป็นปฐมเป็นที่รู้จักต่อไปจึงจะได้มีการเรียนนาปราศัยกันเป็นต่างๆได้พระพุทธเจ้านะเมื่อจะแสดงธรรมจะทรงมักจะทรงตรัสเรียกพิสุทั้งหลาย ว่าท่านจ ะ, ะแสดงธรรมขอให้ใส่ใจอันนี้อาจารย์าถาท่านอธิบายไว้ดีว่าพอได้เวลาแสดงธรรมเนี่ยนะภิกษุมาสู่ที่ฟังธรรมพระผูมีภาคเมื่อจะทรงรแสดงธรรมจะทรงตรัสเรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุป บ, บาทแก่พวกเธอท่านกพันานาว่าทอดพระเนตรลงต่ำนิด ไม่จ้องดูก่อนวิสูตรธรรมหมายไม่จ้องอย่างอย่างนี้การทอดพระเนตรลงต่ํานั้นเป็นการสแสดงความสุขุมเยือกเย็นจึงทำให้คนเกิดความรู้สึกเย็นแล้วเป็นการสร้างความสนใจในจุดหนึ่งอย่างทางศาสนาแล้วก็แสดงถึงความกรุณาแสดงถึงความสํารวมอยู่ในตัวเศษ จึงทรงแสดงลักษณะอย่างนั้นเมื่อเป็นการทักเริ่มต้นและการพูดชี้ชวนชักชวนให้พิสูจน์หลายฝั่งเนี่ยาเราจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงไปโดนแบบท่านจะมีคําว่าดูก่อนดูก่อนดูก่อนย้ําอยู่เรื่อยอันนี้มีบทอธิบายว่าเป็นการให้สติครูตระทักอยู่เรื่อยให้สติแก่ผู้ฟังจึงตรัสย้ําเรียกอยู่เรื่อย ให้สติซึ่งก็หมายความว่าบางครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ในระหว่างนั้นภิกษุบางรูปก็มัวแต่นั่งคิดรุ้งซ่านไปด้วยเรื่องอื่นนอกธรรมเทศนาภิกษุบางรูปก็มัวนั่งพิจารณาธรรมอยู่ภิกษุบางรูปก็มัวนั่งเข้าสมาบัติเข้าฌาเข้าสมาธิอยู่ ซึ่งเรื่องนี้นะหมายก็เมื่อถึงเวลาฟังธรรมต้องฟังธรรมการเข้านะต้องเข้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ฟังธรรมถ้าอย่างนั้นจะมานั่งฟังธรรมทำไมถูกไหมถ้าเมื่อเราจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งเพื่อเป็นประโยชน์ให้จิตได้จับธรรมะอย่างนั้นเรียกว่าใช้สมาธิเพื่อเป็นประโยชน์แก่การฟังธรรมไม่ใช่จัดตัดขาดจากธรรมเพื่อสมาธิถ้าจะปฏิบัติก็ไม่ต้องมาก็อยู่ที่กุติก็ปฏิบัติเอาในที่นั้น อันนี้ก็ต้องพิจารณาตามการนันพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าการเสมอฟังทาตามการปฏิบัติทมตามการทุกถ่งทุกอย่างนั้นการละเป็นสิ่งสำคัญแล้วเรื่องตรัสเลียกในทีแรกเนี่ยพิกสูตั้งหลายจะขานรับว่าพระทันเตที่เขาแปล ว, ว่าพระพุทธเจ้าเข้าพระพุทธเจ้าเจ้าข้าแหละพระทันเตแล้วพูดจะเิญข้าแต่ท่านผู้ทจะาขานรับนนเอง เวลาขานรับเนี่ยถามว่าขานกันทั้งห้องหรือขานกันบางองค์เรื่องนี้น่าจะดาวได้ไม่ยากเวลาเราเปล่งคําสาตูเราเปล่งบางคนหรื อ, เ ป, อเปล่งทั้งห้องเปล่งทั้งห้องไม่ต้องไปเกียงว่าคุณเปล่งสิคุณเปลคนนั้นเปล่งแล้วฉันไม่เปล่งนั้นเวลาสาเวลากล่าวว่าพระทันเตเนี่ยเป็นคําที่แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าเป็นคําขานรับว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมแล้ว ที่จะสระดับวฟังธรรมอันพระผู้มีภาคจักแสดงฉะนั้นตรงนี้นะเท่ากับทมโยนิโสมรติการให้เกิดแก่ภิกษุเวลาขานรับเนี่ยตถ า, าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเรียกนั้นจะทรงหลบพระเนตรลงนิดหนึ่งแต่ภิกษุเมื่อถูกเรียกจะเงยหน้าขึ้นแล้วก็ขานรับว่าพระพุทธเจ้าค่ะ ไม่กม้มจังพระพุทธเจ้าเลยถ้าก้มนี่ถือว่าไม่ไม่เหมาะสําหรับในกรณีนั้นตังจากนั้นก็จึงได้ส่งแสดงทำแล้วก็ได้ส่งแสดงในสูตรนี้ว่าพระผู้มีภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ปฏิจจสมุป บ, บาทเป็นจไหนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป ก็รานามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสาเพราะปัจสาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีจราและมรณะโสกภริเทวะทุกขโทมนินอุปปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท นี่ก็เป็นการแนะนําองค์และความสัมพันธ์ขององค์ภิกษุได้รู้ชื่อแล้วว่าคำนี้ที่อว่าปฏิจจ์มีองค์สิบสองอย่างนี้อย่างนี้และมีความสัมพันธ์กันไปโดยลําดับอย่างนี้อย่างนี้สูตรนี้นะเราก็อ่านให้จบผ่านไปก่อนเท่านั้นจะชวนให้ไปดูในสูตรต่อไปก็คงจะได้แค่อ่านแล้วคราวหน้าจะได้อธิบายตัวองค์ ตอนท้งเอกสารเสริมให้อีกชุดหนึ่งสูตรถัดไปที่ชื่อวิพังกสูตรเป็นการจำแนกความหมายขององค์แต่ละองค์ว่าคืออะไรกะผู้มีพระภาคประทับที่เชตวั น, นก็ที่เดียวกันจัสเกียพิสูจนทั้งหลายว่าเราจาักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจา ก, กล่าวพิสูเหล่านั้นทูลรับก็ผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีประพาตได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉในเบื้องต้นนั้นทรงแสดงหัวข้อย่อโดยลําดับก่อนตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารไปจนกทั้งถึงชาติเป็นปัจจัยแก่จารามรณะโศกละริเตวะทุกขโทมลัตอุปา ย, ยาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้จากนั้นก็ทรงอธิบายองค์ การอธิบายองค์นั้นทรงแสดงย้อนลำดับนิเทศแปลว่าขยายความปฏติโลมแปลว่าย้อนลำดับส ม, มุทยาวาระแปลว่าสายเกิดเพราะฉะนั้นอย่างในในหัวข้อต้นเนี่ยผมแปลให้กันหน่อยนะคราวหน้า่ยมีเอกสารตพิเติมมาอีกทีคงคงจะต้องให้รับคำอีกครั้งหนึ่ง สมุทัยาวาระอนุโลมอุเทศแปลว่าสังเขปสายเกิดตามลําดับสังเขปสายเกิดตามลําดับก็คือแสดงย่อตามลําดับตั้งแต่วิชาไล่มาปฏิโลมนิเทศขยายความย้อนลําดับก็คือเวลาขยายความนั้นได้ตรัสขยายความแทนที่จะขยายตั้งแต่อวิชาไล่ลงมากรับสแสดง ความตั้งแต่ชรามรณะย้อนขึ้นไปผมจะอ่านข้อความในนี้ให้เป็นที่ปรากฏโดยยังไม่อธิบายตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายก็ชราและมรณะเป็นชไหนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมเบงอินซีในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราจดเจนแะล้ก็มรณะเป็นไหนความเคลื่อน ภาวะแห่งของความเคลื่อนความทําลายความอันตราธรรมารติยู่ความตายตาละเกียรความแตกแข่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งอินทรีย์จากหมูสัตว์นั้นๆของหมูสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะก็ชัดอีกชัดนี่ไม่ใช่ชัดโดยไม่มีส่วนเหลือนะชัดคือพอลู้ว่าทนหมายถึงอะไรแต่คือเราจะต้องอธิบายคําแต่ละแต่ละคําความแต่ละความกันในคราวหน้าที ต่อไปกล่าวถึงชาติตรัสว่าก็ชาติเป็นอย่างไรความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งการความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นนี้เรียกว่าชาติชาติไหมแสดงถึงความเกิดไปห้าตัดถึงพบว่พบเป็นอย่างไรพบสามคือการมาพบรู้พอรู้กพบนี้เรียกว่าพบ ก็อุปาทานเป็นไนงองค์ที่หกปาทานสี่คือกาอุปาทานที่ถูกปาทานที่แล้วถูกปาทานอัตวาธุปาทานนี้เรียกว่าปาทานองค์ที่เจ็ดตัดขยายความว่าก็ตันหาเป็นไนตันหาหกหมวดเหล่านี้คือรูปตันหานน rage, สัตตันหาคัานตตันารัตตันหาโพตพันหาธรรมตันหานี้เรียกว่าตันหาต่อไปองค์ที่แปดก็เวทนาเป็นไนเวทนาหกหมวดเหล่านี้คือจกักกูตัมปัจจจาเวทนาโรราสตตัมปัจจาเวทนา ขานาะสัมปัสชเวทนาจิวหาสัมปัจชาเวทนากายาสัมปัสชาเวทนาโมสัมปัสชาเวทน า, น, า, ท น, านี้เรียกว่าเวทนาอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับพวกองค์บางองค์นะต่อไปองค์ที่เก้าพัทธะพัสธะหหมดเหล่านี้คือจักขูสัมปัสต์ตสัมปัสต์กานะสัมปัสต์จิวหาสัมปัสต์กายาสัมปัสต์มโมสัมปัสต์นี้เรียกว่าสัมปัสองค์ที่สิบสลายกานะ เป็นฉไหนอายตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าสลายเจตนะนามรูปเป็นไหนเวทนาสัญญาเจตนาผัดสามนสิการนี้เรียกว่านามตรงนี้เราก็เข้าใจแต่มีปัญหานอกเหนือจากนี้ไม่เรียกว่านามหรือรอยู่ปัญหายังยังไม่บอกตอนนี้มาหาพูตธ ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมาหาพูตธ ร, รูปสี่นี่เรียกว่ารูป ก็วิญญาณเป็นจะไหนองค์ที่สิบที่สิบสองวิญญาณหกหมวดนี่คือจากถูกวิญญาณโสตวิญญาณคณวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนโนวิญญาณนี่เรียกว่าวิญญาณอืมต่อไปสิบสาม อ, อ่านไปอ่านมาก็จะงงว่าเอ๊ะสิบมันมีสิบสองทำไมากลายเป็น สิบตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลของค์นะมันตัวเลขของเอกสารแล้วอ่านเลือกไปเป็นองค์ไปตามจริงตัวองค์ต้องต้องใส่ตัวเลขให้เป็นพิเศษนะดันั้นสังขารเนี่ยเป็นองค์ที่ที่สิบเ็ดจริงๆเป็นองสิบเอ็ดใช่ไหมสังขารเป็นฉไหนสังขารสามคือกายสังขารสี่สังขาจรจิตสังขาร น, นี่เลวกว่าสังขาร นี่ก็ฟังดูก็เป็นปัญหาต้องอธิบายขยายความนะแต่เราองค์เนี่ยอธิบายกันให้รู้จากองค์เนึ่ยก็เป็นเรื่ององค์งต้องใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการเลือกพูดไปในคราวเดียวกันเพื่อให้เร็วขึ้นให้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องตัวสูตรว่ามากว่าน้อยเพียงใดแล้วก็องค์สิบสองจริงๆก็องค์ที่หนึ่งถ้านับตามลำดับเป็นองค์ที่หนึ่งวิชา อวิชาเป็นอย่างไรความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในเหตุที่เกิดทุกความไม่รู้ในความดับทุกความไม่รู้ในปฏิปทาถึงความดับทุกนี้เรียกว่าอาวิชานี่ก็เป็นการให้ความหมายองค์อย่างนี้จากนั้นก็ได้ทรงตรัสนิโรธวาระคือสายดับอันนี้โรธวาระอนุลมอุเทศเนี่ยหมายก็ว่าสังเขตแปลว่าสังเขตสายดับตามลําดับ มันจำเป็นต้องนิยามอีกแล้วเป็นีต่เพยงพูดสายดับสำหรับสูตรนี้ก็ไม่ได้แสดงว่าจำยังไงถึงจะดับอะไรอะไรมีในสูตรสถาดไปยังจะต้องพูดเข้ามาครา้นี้มาอ่าน ป, ปฏิปทาสูตรอ่านเพื่อให้จบไปแล้วคราวหน้าเราจะไม่ไม่หยิบขึ้นมาอ่านจะใช้เอกาสารชุดที่จะอธิบายเลยสูตรที่สามที่ชื่อว่าปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าข้อปฏิบัติและคาว่าปฏิปทาที่ใช้ในาศาสนานั้น บางแห่งสามไม่สามมาปฏิปทาคู่กับมิฉาปฏิปทาบางแห่งก็อมีปฏิปทาที่ปรากฏในในพระสูตรเป็นอัตตะกมัฏฐานุโยกตามมัตสุการเรื่องโยกแล้วก็มัติมาปฏิปทาบางแห่งก็มีปฏิปทาที่ปฏิปทาเผ็ดร้อนมิฉามาปฏิปทาปฏิปทาเผ็ดร้อน แล้วก็อาคาระลักะปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่เกี่ยวกับการครองอย่างผู้ครองเลือดที่อิงตามทีนี้ปฏิปทาทั้งหลายที่จะแบ่งไปเป็นอะไรอย่างไรก็ตามแบ่งจริงๆแั้นก็มีสองอย่างปฏิปทาสามการประสุการณอัตตะมัจจิมาสามนี้เอาความถูกความผิดเข้าไปใส่ว่ามัจิมว่า สัมมาว่ามิจฉามันก็มีถูกหนึ่งผิดสองใช่ไมฮะสองอย่างเป็นมิจฉาสัมมัชชมาเป็นสัมมาปฏิปทานั่นเป็นเรื่องที่พูดกันอย่างเป็นเรื่องผูกพันกับมัชพูดถึงมัชในมัธชมานะแต่ว่าจะพูดถึงมัชถึงอรอยิยสัจสี่นี่มันถึงกันหมดปฏิจจานี่ยจริงๆแล้วถึงกันนี่สูตรนี้ก็ได้กล่าวว่า พูะพุทธมีพระประทับที่พระเจตวันนั่นแหละได้ตรัสแก่พิสูจทั้งหลายว่าเราจกแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาพวกเธอจงฟังปฏิปทาทั้งสองนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวพิสูจนนั้นก็ทูลลักษณ์พระพุทธมีภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็ปฏิปทามิจฉาปฏิปทาเป็นอย่างไรตรงนี้จะเห็นว่าไม่ได้ศาสตร์ว่าการมาสุขขันไม่ได้สัตร์ว่าอัตตะกรมทธะมัทานุโยก ไอ้พูดอย่างนั้นน่ะอันนี้ผมก็จะตั้งใจนี่ก็จะพูดแล้วก็เกรงง่าเวลาจะหมดแล้วคือเอานี้ก็แล้วกันพูดแค่ตรงนี้ว่าคนที่ดําเนินตามอัตตาเกลมาฐานุโยกักบการมสุขันหรือการนโยกเนี่ยอวิชชาดับหรืออวิชชาเกิดอวิชชาเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขาร สังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณใช่ไหมดังนั้นในทางเนื้อลึกๆเนี่ยก็คือเป็นปฏิปทาเสริมปฏิจจารสายเกิดตูอแค่ตรงนี้ว่าคนที่ดําเนินตามอัตตาเกิดมาฐานุโยกกับการมสุขขันธ์หรอการุโยกเนี่ยอวิชาดับหรืออวิชาเกิดอวิชาเกิดอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณใช่ไหมดังนั้นในทางเนื้อลึกๆเนี่ยก็คือ เป็นปฏิปทาเสริมปฏิจจารสายเกิดใช่ไหมล่ะสัมมาปฏิปทานนั้นเป็นอมัชฌิมาปฏิปทานเป็นสัมมาปฏิปทานเพราะส่งเสริมปฏิจจารสายดับเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ในทางลึกไม่ใช่คนละเรื่องก็ดูมิฉาปฏิปทานในทางที่บายที่ตัดว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ คามเกิดแห่งกองทุกขทั้งมวลย่อมมีด้วยประการเช่นนี้นี่เรียกวิชาปฏิปทาปฏิปทาอย่างนี้ไม่ต้องมีใครมาสอนเราครับทุกวันที่เราก็อยู่กับปฏิปทานี้อยู่แล้วเขามาสอนการมาสุ ข, ขาหรือการนุโยกเราก็ยิ่งไปถือเอาหลักเลยอ่ะมุ่งจะละกิเลสอย่างเข้าใจผิดมาเสริมความมีธรรมดาของปฏิจจั์อย่างเก่ามาสอนอัตตกรรมฐานุโยกถึงชีวิตเราจะมีพฤติกรรมชั้นนอกเปลี่ยนไปแต่ การดำเนินของปฏิจจสมุปบาทยังอย่างเก่าคือสมุทัยวาระอย่างเก่าเลยสอนหรือไม่สอนก็มีค่าเท่ากันไม่สอนไม่ดีกว่าไม่ต้องไปนั่งทรามานตากแดดตากฝนอดข้าวอดน้ำอย่างสาขนาเชนเสอนนี่หรืออย่างพวกเจเจลกถือข้อปฏิบัติปแปลกๆก็เหนื่อยเปล่าอาวิชาไม่กระเทือนเลยเท่าเดิมคือผิดอย่างเดิม อย่างนี้เรียกว่าอยู่เฉยๆก็ผิดออกบทก็ผิดผิดปฏิจจาทั้งคู่นี่สัมมาปฏิปทานั้นศาสตร์มาดูก่อนวิสูตรทั้งหลายก็สัมมาปฏิปทาเป็นจไหนเพราะวิชานั้นแหละดับโดยแด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับความดับเป็นกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่เรียกว่าสัมมาปฏิปทาอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางพุทธศาสนา ที่อาศัยอาเรียมกมีองค์แเป็นเครื่องช่วยเราจะจบไว้เท่านี้สำหรับเหมือนเป็นการพูดถึงข้อความเบื้องต้นของเรื่องนี้กลาวหน้านี่นะครับและอาจจะต้องไม่จบในกลาวเดียวจะกล่าวถึงองค์แล้วก็การกล่าวนั้นจะจะกล่าวอ่า ความหมายที่กล่าวในสูตรนี้แต่ละตัวเนี่ยด้วยแล้วก็จะเทียบกับที่กล่าวหรือในที่อื่นมาเป็นเครื่องเข้าคู่กันให้ความหมายให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้กว้างขึ้นอีกวันนี้พอสมควรกับเวลานะครับ